ท่านอาจารย์มหาบัวเทศที่วโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีวันที่28กรกฎาคม2555ต่อจากตอนหน้าโปดศพของท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีนะโมตัสสะ พระเขวะโตอรหะโตซัมมาซัมปุทธานะโมตัสสะพระเขวะโตอรหะโตซัมมาซัมปุทธานะโมตัสสะพระเขวะโตอรหะโตสัมมาซัมปุทธาอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวจะธรรมิโน อุปัชิตวานิรุชันติเอสังวุปะสโมสุโคตีภาสิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนี้ถ้าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ที่เจรนาตามหลักความจริย่อมจะเห็นได้ว่าภาสิตข้อ น, นี้เป็นภาสิตที่ยกขึ้นแสดงในที่ต่างๆ ซ้ำๆซักๆแต่ในขณะเดียวกันพาสิตนี้เป็นเงาตามตัวสำหรับแสดงถึงเรื่องหลักฐานแห่งความจริงซึ่งเป็นไปอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายเมื่อแปลเนื้อความตามภาสิตนี้แล้วแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การระงับดับเสียซึงสังขารทั้งหลายซึ่งไม่เที่ยงและเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นเป็นความสุขอันยิ่งดังนี้คำว่าสังขารธรรมที่ว่าไม่เที่ยงก็ดีเกิดขึ้นแล้วดับไปก็ดีบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นว่าสังขารประเภทใด ที่เป็นภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่นับบัดนี้และสังขารประเภทใดที่เป็นเหตุให้หลังน้ำตาเป็นเหตุให้เกิดความวิโยกพัดรากเป็นเหตุให้เกิดความเสียอกเสียใจเป็นเหตุให้เกิดความรุ่นเรงบันเทิงเป็นเหตุให้เกิดความรักความชังความก่อกังวลในใจของเราไม่มีเวลาอยกดยัง จะได้แจกสังขารพระเภทใดองค์สมเด็จพระปูมีพระภาคเจ้าท่านปรัสไว้ว่าอนิจจาวัตสังขาราบรรดาเราทั้งหลายตุนทราบใกล้ๆนะบัตนี้มีหลักฐานพยานยืนยันให้เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่แล้วอย่างคัดค้านกันไม่ได้ คือเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีซึ่งมีคุณงามความดีบุญญาพิสมภานได้สร้างสมอบรมไว้ไม่น้อยและได้ก่อสร้างวัดโพธิสมภรเป็นเวลาสี่สิบปีนี่แล้วท่านก็ได้มรณภาพจากความเป็นเข้าสู่ความตายนี่ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว ก็แตกดับซะหลายที่เราให้ชื่อว่าตายนั่นเองเพราะเหตุนั้นบรรดาเราทั้งหลายทุกๆกท่านพึงทราบว่าสังขารธรรมของท่านกับสังขารธรรมของพวกเราเป็นสังขารธรรมประเภทเดียวกันมีเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายมีแปรสภาพขึ้นมาเป็นลําดับลําดับ ตั้งแต่ตกคลอดออกมากลายเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแจ่เมื่อแปลสภาพไปอย่างเต็มที่แล้วก็แสดงความแตกดับให้เราทั้งหลายได้เห็นและได้ชื่อขึ้นมาว่าตาคือสังขารธรรมประเภทนี้เองเราอยากเห็นว่าสังขารธรรมประเภทใด ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สำคัญที่สุดอันเป็นเหตุให้หลังน้ำตาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกนี้ไม่มีเวลาหิุยังคือสังขารธรรมประเภทนี้เท่านั้นจึงเป็นสังขารธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ความรักก็ดีความชังก็ดีความวิโยคพัทรากก็ดีความหลงความรัก ความเพลิดเพลินความโศกเศร้าทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากสังขารธรรมประเภทนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุนั้นสังขารธรรมประเภทนี้ท่านจึงได้ยกขึ้นเป็นภาสิตเนื่องมาแต่องค์สมเด็จพระปูมีพระภาคเจ้าและทุกๆพระองค์ด้วยได้ตรัสไว้เสมอว่าอริยวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิด ขึ้นแล้วดับไปดังนี้สังขารธรรมไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแต่ผู้ที่ตายแล้วไม่เพียงเห็นแต่ท่านผู้ที่ตายนั่นเกิดขึ้นแล้วดับไปเพงน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรากายของเราทุกชิ้นที่เราครองเป็นเจ้าของอยู่ในบนัดนี้ก็คือสังขารธรรมประเภทนั้นนั่นเอง เปล่สภาพไปเช่นเดียวกันมีความแก่ความชราคนไม่ไไม่ไห ว, ไไหวต้องแตกต้องทำลายไปเช่นเดียวกันกับท่านความรักก็รักในสังขารประเภทนี้ความชังก็ชังในสังขารประเภทนี้ความหลงก็หลงในสังขารประเภทนี้ดีใจเสียใจก็เพราะสังขารประเภทนี้เป็นเหตุได้รับความ ทุกความทรมานก็เพราะสังขารประเภทนี้เป็นเหตุสังขารประเภทนี้เป็นได้ทั้งสัตว์เป็นได้ทั้งบุคคลเป็นได้ทั้งชั้นต่ำชั้นสูงเป็นได้ทั้งดีทั้งชั่วเป็นได้ในฝ่ายรูปร่างกลางตัวทั้งดำทั้งขาวทั้งรูปร่างสวยงามไม่สวยงาม คือสังขารธรรมประเภทนี้ทั้งนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงโอปนะีโกอย่าเห็นแต่ว่าคนอื่นตายอย่าเห็นแต่ว่าคนอื่นแตกสลายคนอื่นทุกยากลำบากเพราะสังขารธรรมประเภทของท่านนั้นหรือของคนอื่นสัตวอให้พึงทราบว่าสังขารธรรมอันนี้เป็นเหมือนกันกับว่าฝ่าเท้า ที่จะก้าไปเป็นลำดับสังขารธรรมประเภทใดที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกไม่สำคัญเท่าสังขารธรรมคือร่างกายของสัตว์และบุคคลที่แสกที่สลายเดินตามรอยกันไปมีตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาเกิดก็เกิดมาแล้วสี่กับสี่กันจนตนของตนเองซึ่งเป็นนัก กเกิดแฉกเจ็บกายนัดเสียร้ายนัดทำลายไม่หยุดยัง้งและเคยเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ก็เพราะสังขารธรรมประเภทนี้นั่นเองเคยได้รักได้ชังเคยได้เสียน้ำมูกน้ำลายน้ำตาเพราะเหยียดแห่งสังขารธรรมประเภทนี้มาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง เราก็ไม่สามารถทราบความเป็นมาของเรานี่ก็คืออวิชชามันเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มหอ่อจิตใจผู้เป็นเจ้าวัตจักรเสมอทั้งๆ ท, ที่ตนของตนเป็นเจ้าวัตจักรเป็นเจ้าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตามพบตามชาติตามอำนาจวาสนาดีชั่วเกิดขึ้นเป็นรูปร่างกลางตัว ปรากฏเป็นตัดบ้างเป็นบุคคลบ้างเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำบ้างตกนรกอเวจีบ้างติดคุกติดตารางได้รับความทุกข์ความยากลำบากเป็นเทวบุตรเทวดาอินทรพรมับกลายเปลี่ยนแปลงมาเป็นมนุษย์สับสนกนเปรกกันอยู่ตลอดเวลา ตอนเนื่องไปจากอบิชาคือความหลงตนของตนเป็นผู้ที่ได้เคยผ่านมาแล้วอย่างนี้ด้วยกันทุกทุกคนก็ไม่สามารถที่จะคํานวณถึงความเป็นมาของตนได้าการกล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสังขารธรรมทั้งนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงท้ายโยนิโสคือปัญญาทีนี้พี่จะนาถึงเรื่องหลักธรรม ที่เป็นจินประกาศดูทั่วทั้งโลกกระทไม่มีเวลาที่จะสงบพบเงียบลงไปได้คือความเกิดหนึ่งความแก่หนึ่งความเจ็บหนึ่งความตายหนึ่งเป็นไปอยู่ทั้งจัตทั้งบุคคลทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งนอกเมืองในเมืองทั้งใต้น้ำทั้งบนบกทั้งในดิน บนอากาศสัตว์สั่งขานมีอยู่ในสถานที่ใดธรรมชาตินี้จะต้องเป็นเงาเทียมตัวติดตามสัตว์แสังขานประเภทนั้นๆไปแต่ยังไม่ถึงตัวของเราเท่านั้นเราจรึงไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่เมื่อผู้เกี่ยวข้องหรือสิ่งเกี่ยวข้องมีอยู่กับเราเราเป็นผู้สงวนกรรมสิทธิ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสัตว์แสังขานประเภทนั้นนั้นจึงปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มีเฉพาะในบ้านในเรือนหรือในเครือญาติของเราว่าเป็นผูกแก่ผู้ตายผู้สลายผู้ทำลายแต่เมื่อจกที่จรนาให้เห็นตามหลักธรรมชาติแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เคยประกาศตนมาตลอดเวลา พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามธรรมชาติคือความเกิดความตายซึ่งมีประจําอยู่ในตัดแหนทั้งขานนินั้นเป็นของเคยมีมาแล้วสร้างแากดึกดําบรรในไห น, ไหนไม่ทราบเป็นมาอยู่อย่างนี้ปัจจุบันในวันนี้เราทั้งหลายก็เห็นแล้วในโกรธของท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดี ก็คือโกรธแห่งคนตายนั่นเองท่านตายแล้วเอาบรรจุไว้ในโกรธของท่านพวกเราเล่าจะเป็นเช่นไรจะอยู่ในโกรธหรือนอกโกรธก็ตามหมดชีวิตแล้วเขาเรียกว่าคนตายหรือจัดตายทั้งนั้นอยู่ในใหอยป่าในน้ำปลาก็คือจัดตายนั่นเองในตลาดเต็มไปหมดทั้งสัต เป็นสัตว์ตายเป็นป่าช้าของสัตว์ทั่วทั้งดินแดนถ้าเรามีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องความเป็นความตายนี่แล้วเราจะได้โอปนัยิโกโพิจารณาถึงเรื่องสังขารที่มีอยู่กับตัวของเราซึ่งประคองรักษาอยู่ณบัดนี้จะเป็นเช่นเดียวกันกับสัตว์แล้วสังขารซึ่งนอกไปจากร่างกายของเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นคำว่าอนิจจาวัตสังขาราจึงเป็นคำที่สวยงามและเหมาะเจาะกับสมัยและสถานที่ที่สุดสถานที่คือหมายความว่าโลกอันเต็มไปด้วยความเกิดโลกอันเต็มไปด้วยความแก่โลกอันเต็มไปด้วยความเจ็บโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ ความยากความทรมานและโลกอันเต็มไปด้วยความตายนี้นี่เรียกว่าสถานที่ทมก็แสดงย่ำรอยลงในสภาพเหล่านี้ที่มีความแปรปรวนมีความแตกดับหรือมีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปประจําตนทาสิทธิพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ จึงเป็นพาสิตที่ทันต่อสมัยทุกๆการทุกๆสมัยไม่ว่าแต่วันนี้ไม่ว่าแต่วันหน้าตลอดกับตลอดกันเมื่อพาจิตนี้ยังมีอยู่ตราบใดพึงทราบว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นี้ยังเป็นของจริงอยู่ตลอดเวลาและเป็นสวข า, าตธรรมคือพระ อ, องค์เจ้าทรงกล่าวไว้ชอบแล้วกล่าวไว้ตามหลักความจริงที่เป็นไปอย่างใด จึงเรียกว่าเป็นสังขาตาธรรมผู้ที่มาพินิพจนาเห็นสังขารธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่แตกที่ดับหาสารแก่นสารไม่ได้แน้แต่ชิ้นเดียวผู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้ถือเอาเป็นประโยชน์เป็นสารแก่นสารทำความไม่ประมาทในสังขารของตนว่านุ่มก็ดี ว่าเด็กก็ดีว่าเป็นคนปันกลางก็ดีเป็นคนแก่ก็ดีมันเป็นก้อนจะแตกกระดับด้วยกันทั้งนั้นเพราะเป็นสังขารประเภทเดียวกันเด็กก็คือสังขาร น, นั่นเองหนุ่มสาวก็คือสังขาร น, นั่นเองเท่าแก่ชราก็คือสังขาร น, นั่นเองสังขารประเภทนี้มันเต็มไปด้วยความแตกความสลาย ทาทลเคยเป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรการไหนหๆไม่ทราบไม่มีใครจะสามารถนับอ่านได้ว่าสังขารประเภทนี้เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตั้งแต่เมื่อไรเป็นธรรมาชาติที่เปลี่ยนแปลงตัวเองดีตลอดเวลาเราทั้งหลายได้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้มีปัญญาพิพจิตรณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้ว เราจะหาอะไรซึ่งเป็นของเที่ยงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นทุกเราจะหาอะไรที่จะเป็นความสุขยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาเราจะหาอะไรซึ่งเป็นอัตตาที่แท้จริงจากสิ่งเหล่านี้ได้จากสภาพธรรมที่ว่าสังขารนี้เองถ้าเรามีปัญญา เราต้องถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารให้เป็นสาระแก่นสารขึ้นที่จิตใจของเราได้ท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจาวัฏสงฆาราอย่าเห็นแต่สัตว์สังขารที่ล่วงรับดับไปซึ่งเราได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีว่ามีแต่สภาพนั้นเท่านั้นพึงทราบว่าสภาพที่ได้เห็น ได้ยินอยู่นบััดนี้คือตัวของเราผู้รับรู้รับเห็นนี่ก็คือสังขารธรรมประเภทเดียวกันเดินตามรอยกันไปมีทางสายเดียวกันเดินก้าวเข้าไปสู่ความแตกดับเสมอไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายได้แก่ความตายเมื่อตายแล้วจิตผู้ไม่ตาย จะต้องไปก่อกำเนิดเกิดเป็นสังขารขึ้นมาอีกแต่สังขารที่เกิดขึ้นจากจิตที่ไปครองตัวหรือไปอาศัยอยู่นั้นจะเป็นสังขารมีลักษณะเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับกรรมของผู้ที่เป็นเจ้าของคำว่ากรรมในสถานที่นี้หมายถึงความกระทําการทําดีจัดเป็นกุศ ล, ลกรรมการทําชั่วจัดเป็นอกุศ ล, ลกรรม การทำกลางๆงจัดเป็นอภยากตะธรรมหมายถึงกรรมที่เป็นกลางกลางไม่เป็นบุญเป็นบาปกรรมที่ทำเหล่านี้ใครเป็นผู้ทำผู้นั้นต้องเป็นเจ้าของแห่งกรรมและเป็นผู้จะรับผิดชอบที่ชั่วสุขทุกข์ของตนเองเราทั้งหลายพึงทราบว่า เป็นผู้เป็นเจ้าของแห่งกรรมด้วยกันทุกๆ ท, ท่านและพึงเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบดีชั่วสุขทุกในกรรมของตนที่ทำขึ้นด้วยกันทุกรายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นรูปมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาให้ชื่อว่าคนคนเหมือนกันก็ตามลักษณะอากาศกิริยา นิสัยมารยาทความรู้ความฉลาดความโง่เขลาเบาปัญญาความมั่งมีสมบูรณ์จึงไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในสถานที่อันเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่เมืองเดียวกันแต่ความเป็นของบุคคลไม่เหมือนกันความสุขทุกข์ก็มีมากน้อยต่างกันความโง่ความฉลาดมีความแตกต่างกันอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าผลแห่งกรรม แสดงขึ้นมาจากกรรม ท, ที่ใครๆได้ทำไว้แล้วในสถา election, นที่ด Hence, ใดว <ances>. ันใดเดือนใดชาติใดพบใดก็ตามต้องเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ที่ทำนั้นจึงเรียกว่าผู้ทำเป็นเจ้าของแห่งกรรมเมื่อทำลงไปแล้วผลคือสุขทุกข์ ดีชั่วจะต้องเป็นของผู้นักก้นทุกก็ต้องยอมรับทุกก็ต้องยอมรับเพราะตนเป็นผู้รับผิดชอบในกรรมของตนเองโดยธร ร, รมชาติไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เราเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งกรรมของเราที่ทำไว้ตนเองเป็นผู้ทาเองตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในผลแห่งกรรมของตนทั้งดีทั้งชั่วโดยหลักธรรมชาติ แม้จะฝืนก็ฝืนไปไม่ได้เช่นเรามีความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายในจิตใจเรามีความทุกข์ยากลำบากหัวใจในเครื่องช้ไม้สอยมีเงินทองเป็นต้นเราจะให้คนอื่นมาชดช้ผลแห่งกรรมคือความทุกข์ยากของเหล่านี้ก็เป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับภาระคือความทุกข์ยากลำบากนั้น ในตัวของเราเองหรือผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากผู้ไม่ค่อยเกิดโรคเกิดภัยมีความสุขกายสบายใจเครื่องช้าไม่จ้อยคิดอะไรมีมาได้มาตามความปรารถนาไปไหนก็มีคนแห่แหนมีคนนับหน้าถือตามียศฐานนาศ ส, สิ้นทานบริวาร เงินทองกองทรัพย์เหลือจับจ่าย้า้สอยถึงกับนำไปฝากธนาคารไว้ก็เป็นจำนวนมากมายนี่ก็จะให้ใครมาเป็นผู้รับผิดชอบรับภาระของเราไม่ได้เหมือนกันเราต้องเป็นผู้รับความผิดชอบในผลแห่งกรรมดีของเราอีกเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้ และเจ้าของแห่งกรรมคือหัวใจดวงรู้ๆอันนี้เพราะฉะนั้นใจจึงเป็นของสำคัญที่สุดซึ่งครองร่างกายอันนี้อยู่และใจเป็นของสำคัญทั่วทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเราจึงไม่ควรประมาทใจของเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปในทางที่ดีจนคินต่อนิสยัย คาว่าทางที่ดีนั้นคืออยู่ในโลกก็ทาตนของตนให้เป็นพลเมืองดีประกอบทางธรรมก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งหวังต่ออัดต่อทมต่อบุญต่อคุณศลอย่างยิ่งนี่เรียกว่าอบรมบ่มนิสัยของเราให้มีความเคยชินต่อความดีจนเป็นนิสัยติดใจเมื่อนิสัยของเราที่เคยอบรมในทางความดีจนชินต่อนิสัยแล้วนั้น ผลคือความดีที่จะปรากฏเกิดจิตใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับผิดชอบจะปรากฏตั้งแต่ความดีทั้งนั้นปรารถนาสิ่งใดได้สมหวังเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่จะสมหวังนั้นก็คือสมบัติของการกระทําที่ตนของตนได้กระทําไว้แล้วเราจะจําได้ก็ตามจําไม่ได้ก็ตามผลนั้นเรา จะปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกับนักกับเราเรียนหนังสือตั้งแต่คราวเป็นนักเรียนเราจำได้ไหมว่าเราเรียนวิชาความรู้ในโรงเรียนนั้นๆตั้งแต่วันเริ่มแรกเราเข้าโรงเรียนวันที่เท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งครูสอนวิชาให้เรากี่วิชา และวิชาที่ครูสอนเหล่านั้นเราจําได้วันหนึ่งกี่ข้อและจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เราได้เรียนวิชาจากครูมากี่คนและวิชากี่ขแขนงที่เราได้ศึกษามาจากครูนั้นๆ น, น, นับตั้งแต่เบื้องต้นหัดเรียนสะพยัญชนะและบวกลบคูณหารมาจนกระทั่งถึงบันนี้เราจําได้ไหมว่า วิชาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหัวใจของเราหบัาบัตเราเรียนมากี่วันในวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้รับถ่ายทอดความรู้จากครูมากน้อยเท่าไร่ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้ในวิชาของตนทั้งๆ ท, ท, ที่ตนเป็นผู้เรียนมาเองแต่ก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีความรู้นึกถึงตัว ก, ก็ออกมาทันที นึกถึงตัวขอตัวคอออกมาทันทีนึกถึงสระพยัญชนะและนึกถึงเลขตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขที่เท่าไรก็ได้ตามความสมมุตินิยมของโลกตามหลักวิชาที่เราเรียนมาทั้งหมดแม้เราจะจำชื่อจาเสียงของครูซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เราเราเป็นผู้รับถ่ายทอดจากครู มาจากกี่ครูก็ตามกีโรงเรียนก็ตามกีวิชาก็ตามการจําได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นของสำคัญสิ่งที่จะปฏิเสธไม่ได้ก็คือความรู้ที่เราเรียนมาจากครูเวลานี้บรรจุอยู่ที่หัวใจของเราทั้งนั้นนึกอะไรก็ ป, ปรากฏขึ้นมาสมความมุ่งมากปรารถนาของเรา ข้อนี้ฉันได้เล่าคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้ก็เหมือนกันไม่จำเป็นที่เราจะต้องจำได้ทุกแง่ทุกกระทงว่าเราได้ทำคุณงามความดีมากี่ครั้งอบรมบ่มนิสัยของเรามากี่าติกี่พบผลที่ปรากฏก็อยู่ที่หัวใจของเราเช่นเดียวกับความรู้ที่เราเรียนมาจากครูฉะนั้น ที่นี่จะอธิบายเรื่องหลักแห่งกรรมซึ่งเป็นเจ้าตัวของมัตตจักรและย้อนอธิบายถึงเรื่องมัตจักรคือหัวใจดวงนี้ที่จะไปก่อรูปก่อนามเมื่อมีคุณงามความดีที่เราสร้างไว้แล้วเราตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในสถานที่ดีสติที่งามสิ่งที่จะมาเป็นสมบัติของเรา ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาทั้งนั้นนี้ขึ้นอยู่กับกรรมดีแม้เราจะจําชื่อจํานามของกรรมดีและจํำวันที่เรากระทํากรรมดีว่าได้กระทําไว้กี่ชิ้นจําได้หรือไม่ได้ก็ตามไม่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นของสําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้รับ เป็นเจ้าของนั้นมีแต่ของดีทั้งนั้นเป็นลูกก็ดีเมียก็ดีผัวก็ดีก็ดีหลานก็ดีญาติมิตรสหายทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับเรามีแต่คนดีทั้งนั้นใครๆที่มาคบค้าสมาคมกับเราทั้งใกล้ทั้งไกลเป็นแต่คนดี สมบัติบริวารที่อยู่ในความครอบครองมีแต่ของดีทั้งนั้นมีเกิดขึ้นจากกรรมดีของเราทีนี่ถ้าทำกรรมชั่วเราก็เช่นเดียวกันใครจะนับอ่านไม่นับอ่านได้มากน้อยเท่าไรก็ตาม จะต้องมาแสดงให้เราเห็นอยู่ในตัวของเรานี้อะไรที่เป็นของเรามันกลายเป็นของชั่วเสียทั้งนั้นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเมื่อเป็นลูกของเขาอยู่ก็รู้สึกว่าดีแต่ตกมาเป็นเมียเป็นผัวของเราแล้วมันก็กลายเป็นค่าตึกไปทั้งนั้นแม้ลูกหญิงลูกชายที่เกิดในหัวอก ของเราแท้มันก็ไม่ดีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเมื่อมาเกี่ยวข้องกับเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปตามๆกันสมบัติทุกๆทิ้นเมื่อเป็นของคนอื่นมันดีแต่ตกทอดมาเป็นสมบัติของเราเลยกลายเป็นของเจ้ไปเสียทั้งนั้นนี้เป็นเพราะเหตุใดเพราะความชั่วมันอยู่กับตัวของเรา หลักใหญ่คือเจ้าของผู้รับผิดชอบมันอยู่กับเราซึ่งทำชั่วเอาไวา้สิ่งทั้งหลายตกทอดมาถึงตัวของเราจึงกลายเป็นของชั่วไปเสียทั้งนั้นเราจะตําหนิว่าสิ่ง น, นั้นไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเจ้าของมันชั่วมันก็กลายเป็นของที่ชั่วตามเจ้าของเจ้าของหมายถึงใจผู้ทำ ใจที่ครองร่างอยู่จึงหมายเอาหมดทั้งตัวของเรานี่ว่าเป็นผู้ทั่วเรื่องของกรรมมันเป็นอยู่เี่ น, นี้นี่อธิบายถึงเรื่องของกรรมหลักที่ใช้เป็นความหมุนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดจะเจ็บตายอยู่ไม่แล้วไม่เล่าเป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อคุณงามความดีคือกรรมอันดี ซึงเราได้พยายามสั่งสมอบรมเอาไวา้จนเป็นผู้ชินต่อนิสัยในทางความดีแล้วนั้นแม้จะเดินไปตามถนนหนทางที่เราจะไปสู่จุดต่างๆเช่นเดียวกับมนุษย์ในโลกเขาก็ตามแต่ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติในกระเป๋าแล้วยอมไปได้วยความสะดวกกายสบายใจขึ้นเครื่องจากเครื่องยนต์ จอดที่ไหนพักที่ไหนมีบ้านมีโรงพักโรงแรมมีตลาดร้านค้าจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็สะดวกด้วยเงินของเราแต่ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติน้อยหรือไม่มีทรัพย์สมบัตินั้นเดินตากแดดวันย่างค่ำแทบจะตายได้ระยะทางไม่กี่ร้อย แม่ที่พักอาศัยก็ต้องอาศัยร่มไม้นอนอยู่กับดินกินกับหญ้าไม่มีหลังคาเครื่องปกปิดกำบังยุงกัดมแมลงตอมฝนตกแดดออกเราเป็นผู้รับเคราะห์ทั้งนั้นจนกว่าจะถึงที่เราประสงค์ก็กินเวลานานความต่างกันแห่งการเดินทาง แม้จะไปในทางสายเดียวกันก็มีความช้าความเร็วมีความสะดวกและขัดข้องต่างกันอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะการก้าวไปของบุคคลทั้งสองจำพวกนี้มีความต่างกันคนจำพวกที่กล่าวไว้ก่อนนั้นคือจำพวกที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์ในกระเป๋าไปไหนสะดวกสบาย เหมือนกับมีนางขับกร่อมบำรุงบำเรอ ม, มีผู้บริการคนรับใช้รับสอยอยู่ตามระยะทางทั่วไปจนถึงสถานที่อยู่ก็มีเซมไปด้วยผู้บริการคอยรับใช้เพราะเหตุใดท่องเกเงินในกระเป๋าเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเกิดมาจากเจ้าของเองที่หามาได้ด้วยความชอบธรรม กลายเป็นความสุขใจตนเองแต่คนจำพวกข้างหลังนี้นั้นไม่เป็นอย่างนั้นไปที่ไหนก็อดยาขาดแขนทางก็เล่นแค้นกันดานไม่มีความสะดวกกายสบายใจตั้งแต่วันเริ่มออกเดินทางทีแรกจนกระทั่งถึงจุดที่ตนประสงค์ เป็นความไม่สะดวกสบายแม้ไปถึงแล้วจะหาที่พักอาศัยก็ไม่ได้เป็นความไม่สะดวกต่างกันอย่างนี้เราเดินดูในวัดตาตรงสารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันบางคนเกิดมาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นบ้านใหญ่เมืองโตเห็นความสุขความเจริญเห็นแต่ความทุกข์ตนค้นแทน หาเช้ากินเย็นไม่พอปากพอท้องลำบากลำเคน็นเข้นอกเข้นใจไรรับอับปัญญาหากินวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะพอปากพอท้องก็ไม่พอสองวันสามวันจะอิ่มท้องวันหนึ่งก็ทั้งยากทั้งทั้งที่ของในโลกนี้มีไม่อดไม่ยากและเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดิน ตามตลาดร่าค้าทั่วๆั่วไปแต่จะถือมาเป็นสมบัติของตนนั้นมันจนใจที่ไม่มีอะไรจะแรกเปลี่ยนและไม่มีเงินจะซื้อสุดท้ายก็ต้องยอมอดแสบท้องนอนบนแผ่นดินเป็นอย่างนี้เราเห็นอยู่ใกล้ๆในตลาดเมืองอุดรของเรานี้มีทั้งคนมั่งมี มีทั้งคนยากจนนอนดูตามถนนหนทางไม่มีเสื้อผ้าจะปกปิดกายแม้กางเกงตัวหนึ่งก็ติดต่อกันไม่รู้กี่ชิ้นชิ้นนั้นต่อชิ้นนี้ชิ้นนี้ต่อชิ้นนั้นกระกระชุนทุนเต็มไปหมดมันมีหลายชิ้นแต่ก็กางเกงตัวเดียวผ้าพื้นเดียวนั่นเอง ความเป็นทั้งนี้ครับความจนบังคับมองดูแล้วหน้าทุเลศ ส, สงสารในความเป็นมนุษย์ตาดำดำเหมือนกันซึ่งเป็นได้ถึงอย่างนี้ผู้ที่เป็นเศรษฐีมีเงินตั้งล้านๆในอุดรของเรานี้ก็ไม่น้อยเหตุใดเล่าคนเหมือนกันฐานะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันต่างกันอย่างนี้ข้อ น, นี้เราจะ ไปตำหนิติโทษคนที่เขาจนก็ไม่ได้จะไปชมคนที่ดีพาดียวก็ไม่ได้เพราะดีก็ขึ้นอยู่กับกรรมชั่วก็ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมนั่นก็มีอยู่กับเราเหมือนกันถ้าเราต้องการให้เป็นคนประเภทที่น่าสังเวชและน่าขยะขแขยงเราก็ต้องทำกรรมอย่างนั้นต้องเป็นคนอย่างนั้น ถ้าเราเป็นผู้ต้องการความดีเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวของเราดัดแปลงตัวของเราให้เป็นผู้หนักแน่นในทางความดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตส่าห์พยายามทุกทุกทางที่จะให้เกิดขึ้นแห่งทุกขั s ย์สมบัต เราก็จะกลายเป็นคนที่สองขึ้นมาในคนดีประเภทที่กล่าวนั้นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พอทําได้หาได้เกิดขึ้นจากน้ำใจเป็นของสำคัญมีอธิบายถึงการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเป็นของที่แตกต่างกันอยู่โดยอำนาจวัสนาบุญญาพิสมพา น, านี้ที่นี้ผู้มีอำนาจวัสนาสามารถแล้วนั้น ไปในทางก็ไม่มีความขัดข้องยุ่งเหยิงและขาดแพลนเป็นไปด้วยความสวัสดีที่จะมาเกิดในโลกก็ไม่ได้รับความทุกข์ยากลำบากจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ไปได้เช่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปรากฏว่าเวลามาเกิดก็เกิดในตระกูลกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบินรพัฒไม่มีความขัดข้องมีแต่ความสะดวกไปเสียทั้งสิ้นทั้งโทรศัพท์สมบัติสิ้นคารบริวัติเครื่องทรงทุกๆุกอย่างไม่มีอะไรขัดข้องบำเพ็ญคุณงามความดีในเวลาที่พระองค์เจ้าเสด็จออกขหนว ก็ต ร, รัสรูปเป็นศาสดาของโลกสเสด็จไปในที่ไหนมีแต่มนุษย์เทวบุตรเทวดาบูชาวันย่างค่าคืนย่างดุ่งเอ็มไปด้วยเครื่องสักการะจะว่าเกิดขึ้นเพราะอํานาจของพระพุทธ เ, ทเจ้าก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะความดีของพระองค์เจ้าแม้ความเป็นพระพุทธ เ, ทเจ้า ที่จะปรากฏขึ้นในพระองค์ก็ต้องเกิดขึ้นจากงามความดีนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทินิทพิจาณาอบรมจิตใจของตนแน่จะมาเกิดในโลกมนุษย์เหมือนอย่างเขาก็จะเป็นคนดีมีพออยู่พอกินพอเป็นพอไป ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องช้ไม่สอยตลอดถึงสมบัติที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวและเพื่อนฝูงฝูงจะกลายเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นที่ไว้วางใจกันได้นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกรรมดีเมื่อเราท่องเที่ยวในวัดตรสงสารอยู่ ก็ขอให้ได้รับความสะดวกกายสบายใจอย่างนี้เพราะอำนาจแห่งกรรมดีเมื่ออำนาจวาสนาของเรามีจนเพียงพอเพราะอำนาจแห่งการทำกรรมดีมีมากอยู่แล้วนั้นเราก็จะปรากฏว่าเตสังวูปะสโมสุขโขจะระงับซึ่งสังฐารประเภทที่เต็มไปด้วยความเกิดเจ็เจ็บตายอันนี้เสียได้ คำว่าเตซังมูปะสมโมสุโ ข, ขการระงับสังขาร น, นี้มีสองประเภทคือระงับสังขารภายนอกได้แก่สังขารร่างกายนี้ประเภทหนึ่รงระงับสังขารภายในคือสังขารความคิดความปรุงของใจซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะอํานาจแห่งอวิชาอันเป็นตัวบงการนั้นประเภทหนึ่ง เหตุที่จะปรากฏสังขารภายนอกคือร่างกายนี้ขึ้นมาเนื่องจากสังขารภายในคือความปรุงความคิดของใจเหตุที่จะปรากฏเป็นสังขารภายในขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งอวิชชาคือความหลงตัวเองแม้จะเที่ยวเกลแจเจ็บตายอยู่วันยั่งค่าคืนยั่งลุง่ไม่รู้กี่ครับกี่กัน นับชาติไม่ได้ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะถอดถอนตนของตนให้ออกจากบ่ออันลุ่มลึกนั้นได้และไม่สามารถที่จะถอนตนของตนออกจากบ่อแห่งมัตตานี้ไปได้นี่ท่านเรียกว่าอาวิชชาความหลงในความเป็นอยู่ในความรู้อยู่ของตนจะทุกข์ยากลําบากก็ดีสุขก็ดี ตนของตนได้เคยรู้เคยเห็นเคยประสบพบมาจนเพียงพอแต่ก็ไม่รู้ทางที่จะออกจากสังสารวัฏอันนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขความทุกข์ระคนปนเปกันเช่นเดียวกับกันกับข้าวและแกลบลำผสมกันอยู่แม้จะรับ ประทานก็ไม่มีความอริดอร่อยโลกที่มีความเจือปนด้วยทุกข์แม้จะมีสุขเท่าไหรก็ตามก็สุขเพื่อทุกข์เป็นของเจือปนกันอยู่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่าโลกอันนี้คือโรคสังขารธรรมได้แก่อนิจจาวัฏสังขาราแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาขณะเกิดมีความยิ้มแยม้ม แต่ขณะตายมีความเสียใจนั่นมันเกิดขึ้นจากสายกรรมอันเดียวกันทีแรกเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นหญิงก็าตามเป็นชายก็าตามแม้ลูกเรานี้มันสวยเหลือเกินมันงามเหลือเกินนาปริมอกปริมใจพอตายเท่านั้นร้องไห้โฮ นี่ก็ความหลงสังขารนั่นเองถ้าเราคิดไม่รอบคอบแล้วเราจะเห็นแต่ท่าได้ท่าเดียวไม่คิดดูท่าเสียนี่แสดงว่าคนไม่พิจารณาถึงหลักเหตุผลคือความจริงจึงเกิดความเดือดร้อนเมื่อภายหลังทีนี้ความดีใจที่ได้มาในเบื้องต้นเลยไม่พอกับความเสียใจ ที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังเบื้องต้นมีความดีใจที่ได้อะไรมาตามความสมใจตามความพอใจตามความปรารถนาแต่เวลาสิ่งนั้นกลับกลายพักรากจากไปเสียเลยเกิดความเสียใจขึ้นมายิ่งมากกว่ารายได้ที่ปรากฏขึ้นนั้นเพราะขาดเหตุผลรายได้กับรายจ่าย หรือหลายเสียจึงไม่เพียงพอกันคนที่มีเหตุผลไม่คิดเช่นนั้นคนที่มีหลักธรรมแล้วย่อมคิดเห็นทั้งได้ขึ้นมารู้รอบคอบทั้งเสียไปก็ไม่เสียใจสังขารประเภทนี้ปรากฏขึ้นพึงทราบว่าเงาคือความแตกดับมันจะต้องตามตามกันมา แต่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเท่านั้นต้องแน่นอนในความแตกสลายในความดับไปของสังขารประเภทนี้สังขารธรรมที่ปรากฏขึ้นมานี้ปรากฏขึ้นมาจากสังขารธรรมภายในสังขารภายในปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความหลงตัวเอง เมื่อเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาพินิจพิจารณาอบรมตนของตนจนสามารถแจกล้าแล้วจะไม่เห็นต ว, วัตจักรที่หมุนอยู่กับหัวใจของตนตลอดเวลาได้อย่างไรเล่าการที่เราจะพยายามทําใจของเราให้เห็นบอ่อแห่งความหมุนเวียนของตนเององสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า ท่านจึงชี้ช่องทางว่าจงพยายามให้ทานจะเป็นทานประเภทใดคืออภัยทานก็ตามทานด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆก็ตามมากก็าตามน้อยก็าตามนี่เป็นผลอันหนึ่งเป็นช่องทางอันหนึ่งหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งพยายามรักษาศีล ได้มากก็ตามได้น้อยก็ตามด้วยความเต็มอกเต็มใจนี้ก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่จะแก้ตัวอภิชาอันมืดเต็มดวงนั้นได้อีกสมาธิคือความสงบของใจก็เป็นทางหรือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะแก้ตัววัตตะนั้นได้ปัญญาคือความเฉลียวฉลาดนับตั้งแต่ปัญญาในขั้นต้นจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดท้าย ก็เป็นปัญญาที่เป็นเครื่องมือแต่ละขั้นละขั้นที่จะแก้ไขอวิชชาดวงนั้นให้ได้เมื่อเป็นผู้มีศีลมีสมาธิหรือมีทานมีภาวนาจนเพียงพอแล้ววัตตะมันจะซุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ในเขาลูกไหนเล่ามันไม่ได้อยู่ในก้นนรกกับพระเทวทัตแต่มันอยู่กับหัวใจของเราทุกท่กทาน เราเป็นนักวัตตเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเกิดแจเก็ดตายมาด้วยกันไม่มีใครแพ้ใครชนะไม่มีใครได้เปรียบใครเรื่องความเกิดความตายความสลายความทำลายการท่องเที่ยวในวัตตสงสารนี่มีความเสมอภาคกันแล้วทำไมเราจะไม่สามารถเห็นตัวจัก ซึ่งพาเราหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้เกิดเกิดตายตายทุกยากละบักหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดตั้งกับตั้งกันไม่ได้หรอกเมื่อปัญญามีความสามารถที่นิจพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งเห็นดวงจิตซึ่งเป็นเจ้าวัตจักรอันเต็มไปด้วยอภิชาหมุนรอบตัวเองอยู่ นี้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราก็ทําลายจิตที่เป็นวัตจักรนี้เสียได้ด้วยอํานาจแห่งปัญญาเมื่อปัญญาได้ทําลายวัตจักรคือจิตที่เป็นอวิชชานี้เสียได้แล้วคําว่าเตสังสมุปสโมสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารนั้นไม่ต้องว่ามันระงับดับไปเอง เช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราถอนขึ้นมาทั้งรากไม่มีอะไรเหลือกินก้านสาขาทุกชิ้นที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นตลอดถึงลาต้นของเขาเราไม่ต้องไปทำลายพอรากเหง้าของต้นไม้นั้นได้ถูกถอนขึ้นมาทั้งหมดเท่านั้นอวัยวะทุกชิ้นของต้นไม้นับแต่วันที่จะเหี่ยวยุบยอบจนกระทั่งถึงตายไม่มีชิ้นใดเหลืออยู่ อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเป็นสังขารประเภทใดก็ตามสังขารที่ว่ารูปประสังขารคือกายนี้ก็ตามสังขารที่คิดปรุงขึ้นภายในจิตใจจะคิดปรุงขึ้นเรื่องอดีตอนาคตให้ปรากฏขึ้นมาเป็นบุญเป็นบาปในปัจจุบันก็ตามจะต้องดับไปหมดเพราะอำนาจของอวิชชาซึ่งเป็นหัวหน้าของมัตตจัก หัวหน้าของสังขารซึ่งเป็นตัวสมุททยนี้ได้ถูกทำลายหายสูญหรือสิ้นไปจากหัวใจแล้วจะเหลือตั้งแต่พุโทโธทั้งแท่งได้แก่ใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแลเรียกว่าเตสั่งวูปะสมุสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารอันเป็นบออเกิดแห่งสมุททยได้สิ้นสุดลงเพราะอำนาจของอภิชา ได้ดับไปแล้วเพราะเหตุแห่งปัญญาอันมีกำลังกล้าสามารถประหัดประหารตัวอวิชาซึ่งเป็นเสนียดจันลนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วจึงกลายเป็นเตรัางบุปะสมุสขโขความระ ง, งับดับเสียซึ่งขังหันทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่มีอันใดที่จะไปก่อความทุกข์ทรมาณ ไม่มีอันใดที่จะไปก่อความทุกข์ความลำบากความดีใจเสียใจอีกแล้วแม้จะมีสังขารคือร่างกายของเรานี้ครองอยู่ก็าตามสังขารประเภทสมุทัยที่เป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจของเราให้ยินดียินไายให้เกิดความดีใจเสียใจให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเก็ไม่มี เพราะตัวเหตุมันหมดไปแล้วเช่นเดียวกันกันกบเตาไฟเมื่อหมดเชื้อไฟอยู่ภายในเตานั้นแล้วเราจะใส่ฟืนเข้าไปมากน้อยเท่าไรก็ตามก็สักแต่ว่าเป็นฟืนเท่านั้นไม่กลายเป็นไฟขึ้นมาได้ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันใจถึงจะเรียกว่าใจก็ตาม แต่ใจนี้ไม่มีเชื้อคืออวิชชาเป็นเชื้อเมื่อใจไม่มีเชื้อแล้วสังขารปรุงขึ้นมาก็เป็นธรรมนุนรวนคิดเรื่องอะไรก็เป็นธรรมนุนรวนเวทนาถึงจะสวยสุขทุกข์บ้างตามสภาพของขันมีอยู่ก็ไม่เห็นเป็นเหตุที่จะให้เกิดความรุ่มหลงแต่อย่างใดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัส ก็รับรู้โดยธรรมไม่รับรู้เพื่อความหลงไม่รับรู้เพื่อเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดสมุทยัยสังสมกิเลสขึ้นมาเลยกลายเป็นขันนุ่นล้วนคือขันไม่มีกิเลสขันไม่มีตัณหาเพราะเหตุใดเพราะสังขารตัวสมุทัยได้ถูกทําลายไปแล้วนี้ท่านเรียกว่าเตสังมูปะจโมสุโข ผู้ที่ถึงทำดวงนี้แล้วเรียกว่าเป็นผู้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แม้จะมีธาตุมีขันอยู่ก็ไม่มีความเดือดร้อนภายในใจเป็นเตซังบูปะสโมสุขโขอยู่ตลอดเวลาแต่สังขารในขันห้านี้จะระงับไปไม่ได้เมื่อรูปขันนี้ยังไม่แตกจะต้องใช้อยู่เป็นธรรมดาเหมือนอย่างพระพุทธ เ, ทเจ้า ท่านตรัสจรู้แล้วท่านต้องอาศัยขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือประกาศศาสนาคืออาศัยร่างกายเดินเถินไปสู่สถานที่ต่างๆเพื่อสั่งสอนบรรดาสัตว์อาศัยสังขารความคิดความปรุงภายในใจของพระองค์เจ้าที่จะชี้แจงแสดงธรรมให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายฟัง อาศัยสัญญาจำว่าคนนั้นคนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้ควรจะรับธรรมของพระองค์เจ้าได้ขนาดไหนวิญญาณความรับรู้ว่าใครเข้าใจในพระัธรรมของพระองค์เจ้าและใครไม่เข้าใจในพระสัธรรมของพระองค์เมื่อมีการตอบรับหรือมีการสนทนากัน เพราะฉะนั้นขันห้านี้จึงเป็นเครื่องมือประกาศพระศาสนาแอะไม่ใช่เป็นขันที่จะทําพระองค์เจ้าให้บุญวายเหมือนอย่างแต่ก่อนมาขันที่ทําพระองค์เจ้าให้บุญวายได้แก่ขันที่มีอวิชชาครองตัวอยู่และเป็นเครื่องมือของอวิชชาที่บัญชาออกมาทางไหนก็กลายเป็นสมูทัไทยไปทางนั้นเดือดร้อนบุญวายไปทั้งวันทั้งคืน เพราะเหตุแห่งขันเหล่านี้ได้รับการกดขี่บังคับออกมาจากสมุทัยตัวใหญ่ได้แก่อวิชาเมื่อวิชาดับไปแล้วพึงทราบว่าสังขารอันเป็นสมุนของอวิชาได้ดับลงไปพร้อมในขณะเดียวกันจึงเรียกว่าเตซั่งมูปะสมองสุขโขการนงับดับเสียซึ่งสังขารท่านกล่าวว่าเป็นความสุข อันยิ่งนั้นหมายถึงทาดวงนี้เองบรรดาเราทุกๆ ท, ท่านสังขารที่เป็นตัวสมุทยัยก่อความยุ่งยากแฉตนดูทั้งกลางวันกลางคืนเราก็ทราบอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบเราก็พอทราบได้จนกระทั่ง เราเป็นผู้มีปัญญาสามารถพินิพิจาณาได้ประหัตประหารกิเลตอาสวะเข้าไปเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดจนกระทั่งถึงชั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้แต่อววชาที่เป็นเจ้าการแห่งมัตตจักก็ได้ถูกทำลายลงแล้วด้วยปัญญาจึงไม่มีอะไรที่เหลืออยู่นั้น กลายขึ้นมาเป็นเตซังบูปะสมุสุโขระงับสังขารอย่างรบาบคาบเมื่อสังขารภายในจิตใ จ, จที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งวิชาดับไปแล้วสังขารประเภทนี้แม้แตกลงไปแล้วก็ไม่ต่อและไม่สร้างเป็นสังขารประเภทใหม่ขึ้นมามีความระงับดับเสียซึ่งสังขารอยู่ตลอดเวลา แม้ออกจากละร่างนี้แล้วก็ไม่เข้าไปสู่ปฏิชนธิที่ไหนไม่ต้องเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วเหมือนอย่างพระพุธทธเจ้าของเราเพราะท่านระงับดับเสียได้ซึ่งสังขารอันเป็นตัวเสนียดจนไร่เป็นเหตุให้ท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารนี้เสีย ไม่มีอันใดที่จะก่อกำเนิดเกิดต่อไปอีกแล้วเป็นสุขโตสเสด็จไปดีมาดีแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้เป็นประโยชน์เมื่อถึงการแห่งอายุไขของพระองค์เจ้าแล้วพวกเราทั้งหลายเรียกว่าท่านนิพพานรอยสังขารอันนี้ไว้ให้โลกได้กราบไหว้บูชา หรือปรอยให้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่แท้จริงคือวิมุตตพุทธโธนั้นเป็นสมบัติของพระองค์เจ้าแต่ผู้เดียวนี้เรียกว่าสมบัติที่เป็นเต้ังบูปะสมุสุขโขเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นความบริสุทธิ์ดรลน ไม่มีอันใดเจือปนนี่แรธรรมเทศนาวันนี้ได้แสดงเรื่องสังขารธรรมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินว่าอนิจจาวัสังขาราก็จะเข้าใจว่าเป็นภาสิทธิ์ที่กล่าวซ้ำซ้ำซากซากแต่ธรรมชาติวัตถุที่ถูกกล่าวนั้นคือความตายมันตายอยู่ตลอดเวลาแม้อยู่ณนะบัดนี้มันก็ตายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่เรานี้มันก็ตายในบ้านในปา่าภูเขาลำเนาไพรมันก็ตายในน้ำบนบกมันก็ตายตายทั้งวันทั้งคืนถ้าหากว่ามีเสียงเหมือนกับเสียงปืนแล้วเยื่อหูของเราทั้งหลายแตกทำลายไม่มีอันใดเหลือเพราะเหตุใดเพราะความแปรมันก็ดังขึ้นมา ความแตกความสลายมันก็ดังขึ้นมาความทุกข์ยากลำบากในครอบครัวเจ้าเรือนแต่ละครอบครัวมันก็ดังขึ้นมาสาบได้รับความทุกข์มันก็ดังขึ้นม า, า, ม ท, มนนมาที่อยู่ใต้น้ำบนบกมันก็ดังขึ้นมาแม้ที่สุดพวกเรานั่งฟังเทศอยู่นบัตินี้เกิดความทุก ต่างก็จะดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงปืนดังถึงเรื่องกองทุกเยื่อหูจะไม่สามารถต้านทานอยู่ได้เพราะกองทุกมันประกาศลั่นโลกอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้ว่าอันิจาวัตสังาราอย่างไรล่ะมันเป็นซ้ําๆำซากๆากอยู่ตลอดเวลาต้องแสดงตามหลัก ความจริงที่มันเป็นอยู่เช่นนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทินิดพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมีอยู่มันก็แสดงเสียงนั่นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แต่นี้มันไม่มีปืนให้สัญญาณแก่พวกเราในขณะความทุกข์หรือความแปรปรวนปรากฏขึ้นในสัตว์แต่สังขารแต่ละลายละลาย จึงคล้ายๆกับว่ามีทุกแต่เราคนเดียวมีความเดือดร้อนแต่เราคนเดียวมีความพุ่งส่านบุนวายแต่เราคนเดียวมีความยากลำบากแต่เราคนเดียวเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาแต่เราคนเดียวโลกเขาคล้ายกับว่าเป็นทองคำไปหมด แต่ที่กินโลกมันก็โรกอันเดียวกันธาตุขันธ์อันเดียวกันหัวใจอันเดียวกันมันเป็ต้องเป็นทุกอย่างเดียวกันนี่เองขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พินิษ์พิจรนนารณาในภาจิต ท, ที่ได้ยกขึ้นว่าอณนจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งของเขาทั้งของเรามันไม่เที่ยงอุปาณวยาธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนไหนมันแตกด้วยกันทั้งนั้นเตสร้างวูปะสมสุขโขจงพยายามทำความระ ง, งับดับเสียซึ่งต้นเหตุคือสังขารอันเป็นตัวสมุทไทยให้มันดับชิ่นไปเสียจากใจแล้ว สังขารที่เป็นตัวผลคืออนิจจาวัตสังขาราความเกิดความตายแห่งสังขาร น, นี้จะไม่ปรากฏแก่ใจของเราต่อไปอีกแล้วเรียกว่าถึงสันติธรรมอันราภค่ะ์ได้แก่บรมสุกคือวิมุตเรนิพาน